เพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นว่าสภาวะที่บีบคั้นนี่แหละคือตัวทุกข์แท้ล่ะทั้งทุกข์กับทุกข์วิปรินามาทุกข์สังขาระทุกข์วิบบีบคั้นหมดเลยปีละน่ะและทุกข์เหล่านี้ล้วนแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นสังคตะธรรมตัวที่มาปรุงเขาก็คือสมุทัยนั่นเองเพราะสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุประมวลมาเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวประชุมให้กองทุกข์เกิดขึ้นทุกข์เหล่านี้จะไม่มีเด็ดขาดถ้าไม่มีสมุทัยเนื่องจากสมุทัยนั่นแหละประตัว ประชมเขาถามว่าไอตัวเดือดร้อนน่ะใครเดือดร้อนก็ทุกนั่นแหละมันเดือดร้อนคือคนที่จะรู้ว่าทุกเดือดร้อนนี่จะต้องเห็นสิ่งที่มันตรงกันข้ามคือความสงบเยือกเย็นแล้วใช่ไหมว่าอริยมรรคนี่เย็นเย็นยิงๆเพราะกําจัดความเร่าร้อนถ้ายังปล่อยให้ทุกเกิดขึ้นเนี่ยนะหรือให้ทุกยังเป็นไปอยู่ทุกมันเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนมันก็ทําให้เกิดความเร่าร้อนแต่ถ้าหากว่าเจริญอริยมรรค อริยมรรคนี้เป็นธรรมชาติที่เย็นเพราะสงบความเร่าร้อนได้ทุกนี้แปรปรวนกว่าจะรู้ว่าทุกข์ว่าแปรปรวนก็เพราะเห็นท่านิพพานที่ไม่แปรปรวนเห็นนิโรธที่ไม่แปรปรวนสรุปว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขสมูทัยผู้ใดเห็นทุกขสมูทัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขนิโรธผู้ใดเห็นทุกขนิโรธชื่อว่าเห็นทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาถ้าเห็นอริยสัจข้อหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นอันเห็นอริยสัจที่เหลือได้ บางคนก็บอกว่าปึ้งไปเลยนะแต่ปึ้งอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะหลุดไปเลยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเห็นอริยสัตว์อะไรสัตว์จะอะไรเป็นอะไรอธิบายไม่ได้ไม่เข้าใจสักอย่างแต่รู้ว่าหลุดพ้นก็แล้วกันหนาประมาณั้นพ้นอะไรก็ไม่ทราบขอให้พ้นจริงๆเถอะถ้าพ้นไม่จริงแล้วมันจะพัน่สิถ้าพ้นจริงอ่ะท่านสบายแน่ถ้าพ้นไม่จริงอ่ะท่านถูกพันไว้แน่ยพันอย่งพันขาพันเท้าพันตาพันหูพันจมูกพันลิ้นพันไปหมดเลยแหละ ส่วนสมูทัยเนี่ยนะสมูทัยนี่ยอายุหนะอายุหนะคือประมวลมาใช่ไหมประมวลอะไรมาประมวลทุกเนี่ยเนี่ยพันสมูทัยนี่เป็นเหตุเหตุอะไรเหตุของทุกเพราะตัวสมูทัยนี่แหละเป็นประมวลตัวประมวลทุกมาสมูทัยนี่มันเกี่ยวมันข้องพ่านนิพพานนะตรงกันข้ามเลิกเกี่ยวเลิกข้องเลิกติดเลิกพันสมูทัยนี่พัวพันอริยมรคนําออกจากความพัวพัน พ น, นผู้ใดเห็นทุกขสมูทยัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขานิโรธผู้ใดเห็นทุกขานิโรธชื่อว่าเห็นทุกขะนิโรธถ้ า, ามินีปฏิปทาจะขึ้นตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นทั้ะนั้นถ้ากล่าวว่าละสมูทัยอย่างเดียวก็ชื่อว่าแสดงอริยสัจหมดสิ้นเชิงแล้วส่วนต่อไปนิโรตนิโรธเนี่ยนะนิโรธนั้นนิสรณ ะ, ะคือสลัดออกธรรมชาติที่สลัดออกแต่จริงธรรมะเป็นเครื่องสลัดออกนั่นเองนิโรธนั้นเป็นวิเวกใครที่จะรู้ว่า นิโรธเป็นวิเวกก็แสดงว่าเห็นสมุทัยที่ไม่วิเวกเลยนะอยู่คนเดียวแต่เหมือนกับอยู่หลายคนเนี่ยประชุมกันแล้วไม่เลิกไม่ราสักพีหนึ่ง น, นะถ้าตันหามันกระซิบอย่างนั้นแหะโอ๊ยมันเรื่องมากจริงเลยพรานสมุทัยนี่มันไม่ยอมวิเวกด้วยหรอกส่วนนิโรธนั้นเป็นอสังคตะเพราะมรคนี่เป็นสังคตะมะรคนี้มรคนี้ต้องปรุงจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกนิพานไม่มีอะไรเป็นอสังคตะแต่กว่าจะแทงตลอดอสังคตะอย่างที่ว่าเนี่ยจะต้องปรุงเท่าไหร่ คิดดูพระองค์เนี่ยปรุงสีอสงไขแสนกับนะกว่าจะตรัสรู้ภาษารีบุตรปรุงเป็นอสงไขยะ้าอนอน์เป็นต้นปรุงเป็นแสนกับท่านก็ต้องเป็นผู้ที่ปรุงกุศลธรรมเป็นอย่างมากเนี่ยนะจึงจะสามารถตรัสรู้อสังขตะได้นิโรดนี้เป็นอมตะตรงกันข้ามกับทุกใช่ไหมทุกนี้อมตะไหมไม่ชารามรณะเป็นต้นเนี่ยนะนั่นะนะคือตัวทุกท่านตรงกันข้ามกับนิโรดคือพระนิพพาน อริยมรรคนั้นเป็นธรรมชาติที่นําออกนําออกจากทุกขโดยส่วนเดียวใช่ไหมเพราะถ้าอริยมรรคเกิดนําออกจากทุกทุกในอบายทุกขในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกในภพที่แปดเป็นต้นท่าโสดาปฏิมาเนี่ยนําออกจากทุกนําออกจากกิเลสนําออกจากวัตถะทีนี้อริยมรรคนั้นเป็นเหตุอริยมรรคนี้เป็นเหตุให้บรรลุอะไรให้บรรลุนิพพานส่วนสมุทัยนี้เป็นเหตุให้เกิดอะไร เหตุให้เกิดทุกข์มรรคนี่เป็นเหตุให้บรรลุนิพานสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันตรงกันข้ามกันไปหมดเลยอริยมรรคนี่ลักษณะเห็นมรรคนี่เห็นเห็นอะไรเห็นนิโรธที่เห็นได้ยากอย่างยิ่งนิโรธพระนิพานเห็นยากมากเนี่ยนะเพราะคนผู้มีบุญน้อยบรรลุไม่ได้หรอกยังถึงไม่ได้หรอกพระนิพานที่สงบระงับดับทุกข์เนี่ยนะเขาบอกว่าคนที่บุญน้อยอย่าว่าแต่บรรลุเลยฟังยังฟังไม่ได้ทําใจไม่ได้เลยนะ ส่วนมรรคนี่เป็นอธิบดีมรรคเป็นอธิบดีเช่นอะไรเช่นกับตระกูลโอราเพราะเห็นทุกข์เนี่เหมือนกับคนยากทุกข์มันไม่ใช่เหมือนกับคนยากมันคนยากจริงๆเลยแหละนะมันคนยากคนคนกันอนาถานะคนทุกข์คนยากคนยากค น, กคนร้ซึ่งตรงกันข้ามกับอริยมรรคที่เหมือนกับตระกูลโอราเน้อมพิจารณาไปทางไหนก็มี น, นะถ้าพวกทุกข์ละหันไปทางไหนก็ไม่มีเนี่ยนะ อันอารยมรักนี้เป็นอธิบดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใหญ่จริงๆเนี่ยนะใหญ่จนสามารถครอบงํากองทุกทั้งปวงได้อันนี้ก็เป็นอารยสัตว์เนี่ยนะอารยสัตว์ส่วนอารยมรักเนี่ยก็ได้กล่าวไว้บ้างแล้วใช่ไหมเมื่อหน้าสิบเก้าหน้าสิบเก้าที่บอกว่าอรยิยมรักนีน่นิยานิกะเหตุะเหตุะนะทัศนะและอธิปัตยะอธิบดีนั่นเองก็อธิบายเพิ่มเติมซ้ําอีกครั้งเกี่ยวกับการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์ ในสัจจะวิพังเนี่ยก็เอาธรรมะเหล่านี้มาสแสดงเนี่ยนะอันธรรมะเหล่านี้ อ, อ, อริยมรรคเขอาไปการรู้แจ้งแทงตลอดอริยศาสตร์ลักษณะที่ท่องแท้ทั้งหมดดังกล่าวเนี่ยนะเป็นที่นิยมอธิบายทุกแห่งเลยถ้าที่บายลักษณะของสัจจะที่ท่องแท้จะเอาถอกความท่องแท้เอาความจริงแท้ของกุศลธรรมเหล่านี้แหละของธรรมเหล่านี้แหละไปอธิบาย เนี่ยเป็นเป็นที่อธิบายเป็นที่อ้างอิงเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่เอาไว้เขาอ้างมากที่สุดในในในอัตถกถาเนี่ยนะเช่นในสัจจะวิพังก็เอาข้อความตรงนี้ไปอ้างวิสุทธิมัสสัจจนิเทศก็เอาตรงนี้ไปอ้างอีกลายแห่งก็เอาธรร ม, มะเหล่านี้ไปอ้างเพราะอันนี้คือความจริงแท้เป็นความถ่องแท้เป็นสภาวะที่จริงแท้ถ้ารู้ความจริงแท้อันนี้แล้วพ้นจากกองทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าสภาวะที่ทองแท้นะทองแท้ตามสภาวะแต่สภาวะทั้งหมดเหล่านี้มีอัตราแทรกอยู่ไหมไม่นี่เป็นสัจจะที่ไม่คลาดไม่เคลื่อนแต่เป็นสัจจะที่ต้องแทงตลอดนะปฏิเวทะต้องแทงตลอดควรแทงตลอดเป็นสภาวะที่อภิชานะควรรู้ยิ่งด้วยด้วอะไรปกตินะอภิชานะแปลว่าด้วยญาติปริญญาปริชานะเนี่ยนะกําหนดรู้ด้วยตรีรณะปริญญาแต่ก็คําว่า ควรรู้ยิ่งควรกำหนดรู้ก็คือยาตาปริญญากับตีรณปริญญาส่วนธรรมะธรรมะแปลว่าอะไรสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนเนี่ยนะธรรมะคือธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนแต่ถ้าธรรมะที่อื่นๆถ้าเป็นธรรมะที่เป็นกุศลทรงไว้ซึ่งสภาพของตนไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วหรือทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามตนไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วเช่น ปริยัติธรรมหรืออารยมรรคทั้งหลายเนี่ยผู้ใดปฏิบัติตามนั้นก็ไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วส่วนธาตุธาตุก็คือสุญญตาใช่ไหมว่างว่างก็ไม่มีนี่เหมือนกันว่าเบาว่างกับไม่มีเบาเหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นก็บอกว่าสุญญตาไม่ใช่นัตถิตานัตถิตาแปลว่าไม่มีสุญญตาแปลว่าว่างมีแต่มันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเช่นหม้อว่างเนี่ยหม้อมีแต่ไม่มีอะไรอยู่ในหม้อเรือนว่างเรือนมีแต่ไม่มีใครอยู่ในเรือน นี่ก็เหมือนการธาตุเนี่ยธรรมชาติที่ว่างว่างจากสัตว์แต่ธาตุเนี่ยมีแต่มีโดยความเป็นทุกข์นะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทรงไว้ซึ่งทุกข์แต่ว่างจากสัตว์จากบุคคลเป็นต้นยาตัดโถก็คืออาจรู้ได้นะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่รู้ไม่ได้ใช่ไหมรู้ได้ไหมเรียนได้ไหมศึกษาได้ไหมปฏิบัติตามได้ไหมได้ถ้าไม่ได้ท่านไม่ทํำหรอกยาตะก็ค่ า, า, ายาตะปริญญาเนี่ยนะคือรู้ได้เรียนรู้ได้ฟังได้ ปฏิบัติตามได้ตรัสรู้ได้แล้วก็พรรณาเนี่ยนะพรรษะก็คือพรรนะหรือพรรษานั่นแหละถูกต้องควรถูกต้องนยะควรถูกต้องด้วยอะไรด้วยญาณเนี่ยนะปัญญานี่เข้าไปถูกต้องนะไม่ใช่เอาจักขู่ไปถูกใช่ไหมม่ใช่เอาไปแตะเนื้อต้องตัวอะไรหรอกแต่ว่ารู้ด้วยปัญญาแล้วก็ควรตรัสรู้ด้วยอภิสมัยควรตรัสรู้อย่างยิ่งนะะควรรู้ยิ่งด้วยปัจเจกขณะญาณหรือด้วย ได้เฉพาะด้วยญาณคือได้เฉพาะด้วยมวิปัสนาญาณมัคคายานผลญาณหรือตัวควรรู้ด้วยปัจเจกขณะญาณนั้นควรตรัสรู้จริจรงๆธรรมะดังที่กล่าวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมะที่ดีจริงแท้นะธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดเป็นกุศลธรรมล้ว น, วนเป็นธรรมที่ปราศจากกิ่งใบปราศจากเปลือกเป็นสาระล้วนๆเป็นแก่นแท้ล้ลวนๆเนี่ยนะ มันก็เราก็ถือว่ามีบุญมากแล้วนะมาเรียนสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารถึงเข้าใจบ้างไหมเข้าใจบ้างก็อุ้ยเราสะชื่อว่าสั่งสมบุญไว้แล้วเนี่ยถ้ารุ่นนี้ถ้าเรียนเรื่องเก่าอีกเราก็เข้าใจมากกว่าเดิมแน่นอนถ้าไม่หลับสักก่อนต่อไปอุปจารชานอุปจารชานนั้นผู้ที่จะเจริญชานได้เนี่ยจะต้องมีคุณคุณธรรมรองรับ รองรับสภาพจิตเจ็ดประการเรียกว่าอุปจาระฌานเจ็ดหมายว่าเฉียดฌานใกล้ฌานคุณธรรมที่รองรับฌานคือต้องเจริญเนคขมมะคืออะโลภเจริญอัพยาปาทะคืออโทสะเจริญอโลกสัญญาคือเว้นจากทีนะมิทะเจริญความไม่ฟุ้งซ่านคือสมาธิการกําหนดธรรมคือปัญญาต้องเจริญยามที่ไม่ใช่อวิชชาเจริญตราโมตคือมีความสุขสงบใน กุศลธรรมมีปีติปราโมทย์ในการเจริญกุศลธรรมคุณเครื่องเหล่านี้ธรรมะทั้งเจประการรองรับฌานอภิญญาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่มีคุณธรรมทั้งเจประการเนี่ยรองรับปฐมฌานเป็นต้นไม่ได้เพราะว่าเนคขมมะเนี่ยเป็นตัวที่สลัดออกจากกามอัพยาบาทเป็นตัวที่สลัดออกจากความพยาบาทอโลกสัญญาเป็นตัวที่สลัดออกจากถีนมิธะความไม่ซุ้งซ่านสลัดออกจากความ ฟงสร้างการกำหนดธรรมะแยกแยะวิเคราะห์ได้ก็ออกจากวิจิกิิชายานะออกจากอาวิชชาปราโมทออกจากความเซ็งนะนี่หมายถึงว่าเบื่อเหลือเกินที่จะเจริญกุศลเป็นต้นอันเนี้ยธรรมะถ้าหากว่าไม่มีกุศลธรรมทั้งเจ็บประการถ้าการมาฉันท่าเกิดทำอะไรได้จบเลยใช่ไหมถ้าโกรธขึ้นมาล่ะเสียหายอีกง่วงขึ้นมาไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้ ฟุ้งขึ้นมาก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาระ ง, งับสงสัยขึ้นมาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเกิดความเคลื่อนขึ้นมาก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไงเมื่อหรือเกินในการเจริญกุศลธรรมก็ไม่รู้จะแก้ไปอย่างไรเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งเจ็ดประการเนี่ยเป็นตัวเกื้อหนุ น, นเป็นตัวเกือ้อกูลให้เจริญสมะถะได้อย่างต่อเนื่องสมควรที่คนที่มีคุณธรรมดังกล่าวสมควรที่จะได้ปฐมฌานอย่างนี้ท่านปฐมฌานนั้นอันประกอบไปด้วยองค์เทไร่ องห้าคือวิโตวิจารปีติสุขเอกคตาทุติยฌ า, า น, นมีองสามคือปีติสุขและเอกคตาตัตยยฌานมีสุกและเอกะขะตาจตุทัาชฌานก็ประกอบไปด้วยอุเบกขาและเอกคตาส่วนวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้ฌานก็ดูสมาธินิเทศหรือสมาธิภาวนามายญาณข้างหน้านู้นเนี่ย ส่วนอารูปสมาบัติทั้ง4ก็คืออากาสานัญจายตนะที่มีอากาศเป็นอารมณ์วิญญาณัญจายตนะที่มีอากาศาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์อากินจัญญาญตนะที่มีนัตถิภาวะบัญญัติเป็นอารมณ์เนวะสัญญาก็มีอากินจัญญาญตนะเป็นอารมณ์นั่นเองพราะฉะนั้นอารูปประชานเหล่านี้อารูปสมาบัติเหล่านี้ก็ควรกําหนดรู้กําหนดรู้หรือแม้กระทั่งอนุปัสนาทั้งมหาวิปัสนาทั้ง18บแเนี่ยนะมหาปัญญานะ มหาวิปัสสนาก็คือมหาปัญญามหาปัญญาทั้งหมดเหล่านี้ก็ควรควรอะไรควรกำหนดรู้ควรปฏิบัติให้มีขึ้นเช่นการพิจารณาเห็นตัวตัวปัญญานะตรงนี้เน้นตัวปัญญาปัญญาที่เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงหรือเห็นทุกเห็นอนิจจาลักษณะปัญญาที่ไปเห็นโดยความเป็นทุกข์คือปัญญาที่ไปสอดส่องเห็นทุกขลักษณะปัญญาที่พิจารณาเห็นว่าเป็นอนัตตาก็คือปัญญาที่เห็นอนัตตลักษณะ ันั้นปัญญาคืออนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาสมอย่างบริบูรณ์จะทําให้ความเบื่อห น, น่ายนิพพิธานุปัสสนาก็เกิดขึ้นถ้าอนุปัสสนาสี่อย่างบริบูรณ์ก็ทําให้วิราคานุปัสสนาบริบูรณ์ถ้าวิปัสสนาหอย่างก็ทําให้นิโรธานุปัสสนาบริบูรณ์ถ้าอนุปัสสนาหอย่างก็ทําให้ปฏินิสคานุปัสสนาบริบูรณ์ พั้นพวกอนุปัสนาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยกื่อกูลอุปการะอนุปัสนาล่างๆเกื้อกูลต่ออุปการะต่ออนุปัสนาชั้นสูงๆต่อไปเพราะอนิจจานุปัสนาออกจากนิจจสัญญาทุกขานุปัสนาออกจากสุขสัญญาอนัตานุปัสนาออกจากอัตตสัญญานิพิทานุปัสนาออกจากความเพลิดเพลินวิราคานุปัสนาออกจากราคะนิโรธานุปัสนาออกจากสมุทัยวิราคาปฏินิสักานุปัสนาออกจากความ ยึดถือเนี่ยนะที่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมอะไรเลยส่วนขยานุปัสสนาก็คือตามเห็นแต่ความสิ้นไปว่าญาณุปัสสนาเห็นความเสื่อมไปอันนี้ก็หลังจากพังขยานเป็นต้นไปอยู่แล้วเนี่ยนะเห็นแต่ความสิ้นเห็นแต่ความเสื่อมเห็นแต่ความแปรไปอานิมิตานุปัสสนาก็คืออนิจจานุปัสสนานั่นแหละเนี่ยนะเพราะไม่มีนิมิตคือขณิจานิมิตเป็นต้นไม่มีที่ตั้งคืมไม่มี ที่ตั้งในที่นี้หมายถึงปรารถนาเนี่ยนะไอตไ้ตั้งไว้ตั้งไว้ไรตั้งไว้ด้วยตันหาเพรันอปปนิหิตานุปัสสนาก็คือเห็นว่าไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหาก็คือทุกขานุปัสสนานั่นเองส่วนเห็นด้วยความเป็นของว่างเป็นของเปล่าเป็นของศูนย์ที่เรียกว่าสุญญ า, านุปัสสนานั้นก็คืออนัตตานุปัสสนามันอนัตตากับสุญญ า, านั้นคือสิ่งเดียวกัน ส่วนอธิปัญญาธรรมวิปัสสนาก็คือปัญญาทั้งหมดนั่นแหละชื่อว่าอาธิปัญญาธรรมวิปัสสนาเพราะใครที่ไม่มีปัญญาอันยิ่งหรือไม่มีอธิปัญญาศิกษาเหล่านี้ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเจริญได้อย่างตลอดฝั่งใช่ไหมมันจะต้องมีปัญญาอันยิ่งหรือเห็นตามความเป็นจริงท่านบอกว่าเห็นนามรูปตามความเป็นจริงเห็นนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยตามความเป็นจริงส่วนอธีนาวานุปัสสนากับนิพธานุปัสสนาต่างกันไหม ไม่ต่างกันเนาะไม่ต่างกันเพราะอาทีนวานุปัสสนานั่นแหละคือนิพพิทานุปัสสนาวิวัตนานุปัสสนาก็คือกล่มกล่มไหนกล่มประสงค์จะหลีกออกก็คือกล่มพวกโคตรภูยานเนี่ยนะเพราะโคตรภูยานต้องการหลีกออกอย่างเดียวไม่เอาแล้ววัตตะว่างั้นเน่ะพอแล้ววัตตะเพียงพอแล้วมันทุกจริงๆเลยนะคนที่กาลังปฏิบัติเนี่ยเท้า ม, มาจริงๆเขาทุกจริงหรือะเขาทุกไหม ตัวเขาจริงๆนะขนาดนั้นเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดแต่ทําไมท่านเขาบอกว่าทุกจริงๆเพราะเห็นว่าสิ่งนั้นน่ะมันทุกจริงๆเนี่ยนะตัวใครที่เข้าไปเหมือนกับว่าเห็นก้อนเหล็กแดงๆแหะเนะ่บอกว่าใครใครกลืนก้อนเหล็กก้อนนี้เข้าไปเดือดร้อนแน่เขาบอกไม่ยอมกลืนโดยประการทั้งปวงเพราะเห็นว่าก้อนเหล็กนี่มันคือก้อนทุกเมื่อใดเนาะจะมีปัญญาเห็นอุปาทานขันห่าว่าเป็นดัง ก้อนเหล็กเนี่ยนะเมื่อใดเนาะจะเห็นจากขู่เป็นของหอนเนี่ยนะจะตั้งความปรารถนาเอาไว้เนี่ยนะเมื่อหใดจะลืมตาดูดอกไม้สวยๆอุ้ยตาก็เป็นของร้อนดอกไม้งามๆก็อร้อนเนี่ยนะร้อนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะดูไม่เบื่อไม่นานเลยนะดอกเที่ยวสวนนี่ต้องไปไล่ต้อนออกมา น, นะพอพระราชาที่เข้าไปเที่ยวในสวนที่งดงามเนี่ยนะอู้ยไม่ยอมเลิกราเลยนะสนุกมากามีน้ําจันด้วยไปหน่อยใหมุงเรื่องนี่เหนื่อยหนักไม่ยอมออกเลยนะ ก็บางทีเนี่ยถ้าไปเที่ยวสวนเที่ยวไรเนี่ยต้องกะเวลากันบอกว่าจะต้องจะต้องพร้อมกันที่รถเวลาเท่านั้นเท่านี้ไม่งั้นก็เดาอยู่นั่นแหละเก็บภาพแล้วภาพเล่าภาพแล้วภาพเล่าเนี่ยนะสซวนผู้ที่ปฏิบัติตามมหาวิปัสสนาทั้งหมดก็เพื่อแทนเพื่อเจริญอริยมรรคทาให้แจ้งอริยผลทั้งหลายอันท่าบรรลุโสดาปฏิมากรก็ทําให้แจ้งโสดาปฏิผลถ้า บรร ล, ลุสกท า, าคามีมัค ก, ก็ทําให้แจ้งสกท า, าคามีผลถ้าบรร ล, ลุหรือเจรเิญอริยมัค ก, ก็ทําให้แจ้งอนาคามีผลถ้าแทงตลอดอรหัตตมัค ก, ก็ทําให้แจ้งอรหัตตผลสิ่งเหล่านี้ควรกําหนดรู้นะกําหนดรู้แบบอะไรทําให้มันมีขึ้นนั่นแหละทีนี้คุณธรรมดังที่กล่าวไปเนี่ยนะขณะที่มัคผลเกิดขึ้นเนี่ยอย่างไรก็ไม่พ้นอินทรีย์พละโพชงเพราะเป็นการประชมุมอินทรีย์การประชมุมพละการประชมุม โพธชงการประชุมอริยมรักการประชุมโพที่ปักคยธรรมใช่ไม่จึงเกิดการตรัสรู้นะในคัมภีร์บางแห่งท่านบอกเลยว่าเมื่อทําโสดาปฏิมาให้เกิดขึ้นก็หลังจากนั้นนั่งอาสนะเดียวกันนั่นแหละประชุมอินทรีย์พละโพธชงองค์มรักทําอริยมรักให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่อริยมรัคเกิดขึ้นเนี่ยคุณทำรรองค์ประกอบเยอะแยะไปหมดเลยโพที่ปักคยธธรรมทั้งหมดเนี่ยประชุมกัน เส้นสัตทินรีย์วิริยินทรียสติินรีสมาตินทรียปัญญินทรียก็ประชุมกันสัทธาพราวิริยะพราสติพระสมาธิพระปัญญาพระก็ประชุมกันสติสัมโพชงธรรมวิทยะสัมโพชง์วิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบขาสัมโพชงโพชงทั้งหมดเหล่านี้ก็ประชุมกันคืออินทรีย์ก็มาประชุมพราก็มาประชุมโพมชงก็ประชุมองค์มรรคก็ประชุมโอยกุศลธรรมประชุมขนาดนี้นี่แหละจึงนําออกจากทุกข์ได้ เพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้ท่านจึงเรียกว่ารัต น, นะคุณธรรมเหล่านี้จึงเป็นอริยทรัพย์ผู้ที่มีอริยทรัพย์ดังกล่าวไปแล้วนี่ยังไงก็พ้นจากอบายเนี่ยนะเพราะสามารถนําออกจากอบายได้อย่างจริงแท้ส่วนหัวข้อธรรมะอื่นๆก็คงจะไว้กล่าวในอาทิตย์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะนี่ก็มาเจริญพุทธานุสติบ้างดีกว่านะ่